เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการคุยธรรมะท่านผู้ฟังเรา เอ่อในตอนนี้ก็จะถึงเรื่องที่ว่ากวิญญาณเนี่ยเป็นเหตุเป็นเหตุ นามรูปมีไหนเอ้อมีนามรูปหรือเปล่าไอ้นามรูปของตัวมีกายมั้ยนั่นคือรูปใช่มั้ยเอ่อเช่นแขนขานั่นคือนะมีนามมีรูปนามะธรรมรูป อ่าเนี่ยเกเปนในที่พระญาบอกว่านามรูปมีเพราะ ในภาษาไทยเนี่ยเรามาใช้คําว่าวิญญาณเหมือนกับพวกเอ่อสปิริตพวกผี ซึ่งทั้งภาษาไทยก็ตามภาษาบาลีก็ตามเนี่ยขออภัยทั้งภาษาอังกฤษก็ เอ่อการรับรู้เราไปจริงๆแล้วที่เราบอกว่าจิตจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่า นะนามก็คือเอ่อเรื่องของเวทนาสัญญาวิตกมนสิการในเจตนาพวกนี่ใจเราไม่ใช่นะเวทนาไม่ใช่ใจก่อนนะเพื่อนๆเช่นเวลาบางทีเราเจ็บนะความเจ็บนั้นไม่ อันน่ะไม่ใช่ใจนั้นเป็นเป็นเป็นเจตนาเป็นกิเลสที่โผล่ขึ้นมารู้ความปวดคุณไปรู้ปวดเจ็บที่คุณบอก ความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นสัญญาแต่เพราะนั้นสัญญาก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งมิตรกความคิดมนสิการเจตนาแล้วแล้ววิญญาณวิญญาณเนี่ย ก็ไปรู้รูปพวกนี้นะพอทีนี้อ่านาม 2-3 ชั่วโมงที่ 6 ชั่วโมงนะ แล้วคุณบอกว่ามีสมาธิสั้นได้ไงเขามีไม่ไปไหนเข้าไม่หิวไม่จริงๆจุดนั้นไม่ เราเนี่ยมีอยู่ไอ้พวกนี้เรามีอยู่แล้วนามเนี่ยอยู่เร เราต้องการเช่นเวลาที่เราต้องการอ่านหนังสือเราไม่มีวิญญาณของเรามันไม่ นั่นจึงมีเพราะความที่จิตเราเข้าไปรับรู้ถ้าจิตอ่าจิตคุณเนี่ยก็ มันดับไปวิญญาณกับนามรูปไม่มีในวิญญาณไม่เข้าไปรับรู้นามจึงไม่มีนะไม่ใช่ว่า ไหนตัวนั้นเข้าไปทําหน้าที่วิญญาณในการคือลักษณะของจริงๆวิญญาณคือจิตเนี่ยก็ นะในที่นี้ตอนแรกที่เราเข้าบีถือไก่ของเราเนี่ย นะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามนะก็จึงเกิดเป็นวิญญาณคือจิตที่เข้าไปยึดถือตรงนั้นอันแรกตั้งแต่ในกันสัตว์ที่อยู่ในคันธะภะ อ่าสขันธะภะที่อยู่ในดอกยางมันดาเนี่ยไม่มีวิญญาณไปเกล้าลงนะไม่มีจิตเข้าไปรับรู้สัก ก็ไม่เคยกันตั้งขันขึ้นในนี้ก็มีเพราะว่าไม่มีวิญญาณเข้าไปก้าวลงใน ท่านสารีเคย 2 กรรมพิงกัน 2 กรรมพิง 1 1 เอ่อ 1 กรรมแล้วก็ 1 กรรมนะทุกคุณเอาอันใดอันออกพวกอันหนึ่งหล่นลงนั้นดิแล้วอยู่แล้วเราเปรียบเทียบกับแสง และทุกอย่างมืดไปหมดมีแต่ตาไม่มีตัวไม่มีแขนเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ แสงที่จากพระอาทิตย์เนี่ยส่งมาถึงโลกเอ๊ะเราเคยเห็นรูปภาพพระอาทิตย์กับโลกมันก็มืดๆนะตรงกลางมันไม่มีเส้นไม่มีถ้ามันมืดหมดเราอยู่ในห้องมืดๆอย่างเงี้ยโต๊ะก็มืดเก้าอี้ทั้งๆที่มีของ วัตถุอยู่หรือเปล่าอ่าคุณต้องมีแสงและแสงตกกระทบวัตถุกับวัตถุเนี่ยมันอาศัยกันและกัน อไสนามรูป 2 กรรมบิงกันถ้าใครเคยเรียนลูก 3 อันอย่าเป็นอย่างน้อยนะทับๆลงหม่ํา 3 อันแต่เป็น 2 อันนั่นเองโหยยากความที่ ถ้าคุณวางอันหนึ่งได้อันหนึ่งตู้มไปเลยและทุกอย่างล้มหมด จะเป็นอย่างไรแต่เณรจึงพุทธเจ้าใช้นิยามว่าเวทนาสัญญาวิตกมนสิการและก็เจตนา